วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่คณะสิทธิอนุสิตของท่านพระครูจิตตภาวนาญาณหลวงพ่อชาลีธีรธรมโมเจ้าคณะอําเภอนายุงและก็เจ้าวาดวัดป่าภูก้อนที่เป็นที่รักเคารพของพวกเราคณะสิทธิญนุสิ์ทั้งหลายวันนี้เป็นวัน ครอบรอบวันเกิดของหลวงพ่อชาลีวันที่ยี่สิบแปดวันที่ยี่สิบเก้าเป็นวันเกิดของท่านอายุของท่านได้หกสิบเจ็ดปีเต็มปีนี้ต่อไปก็คงจะย่างข้อเป็นหกสิบแปดนับว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่ในเขตอำเภอนาโยงของพวกเราพันษาก็ ป่าเข้าไป47อายุของท่านก็พอสมควรแล้วก็ท่านบวชแต่อายุยังน้อยหนุ่มบวชพอกรบอายุครบบวชท่านก็เลยบวชเป็นพระตั้งแต่บัตรนั้นมาท่านก็เป็นผู้ดำรงอยู่ในเพศสมณะเที่ยวทุรงเที่ยวป่ า, พ า, าพานลงมาผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านภูผาป่าไม้มามากต่อมากตามประวัติของท่านไปทุกหัวและแหงในภาคอีสานไปถึงประเทศลาวในในถินนี้ตรงไหนที่หลวงพ่อชาลีของเราไม่ได้ไปเที่ยวทุดงในเขตภาคอีสานท่านได้ไปทุกแห่งหนจนที่สุดก็เมื่อท่านมีอายุขึ้นมาพอที่จะลงหลักปรักสานได้ ท่านก็ได้มาอยู่ที่วัดป่าภูก้่อนแห่งนี้ในเมื่อท่านมาอยู่ที่วัดป่าภูกร่อนแห่งนี้ท่านก็ได้ดูแลหรือว่าก่อสร้างท้าวรวัตถุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นที่เชิดหน้าชูตาของอำเภอนายูงและคนในท้องถิ่นและก็พร้อมกันไม่ใช่แต่เฉพาะอำเภอนายูงเป็นที่เชิดชูสาหรับจังหวัดอุดร อ, อีกต่างหากแล้วก็ ดังไปทั่วประเทศไทยแล้วก็ดังไปทั่วโลกอีกต่างหากทำไมจึงดังไปทั่วโลกเพราะตก ว, วันนี้ลงทางอินเทอร์เน็ตใครเข้ารู้ใครใครก็เห็นวัดป่าปูก้อนสร้างพร ะ, อะนอนหรือว่าพระปรางปรินินนพานปางศรีหาสายญาติด้วยหินไวกราราประเทศอิตาลีสวยงามที่สุดในโลกค่ะ ไม่ใช่พระธรรมดาพนระสวยงามที่สุดในโลกถ้าไม่เชื่อก็ให้ขึ้นไปดูก็ได้สวยงามจริงๆนะอันนี้แหะคือท่านหลวงพ่อจารีก็เป็นหลักเป็นประธานสงฆ์พร้อมกับคุณโยมปิยวรรณคุณโยมโอลานที่ฝ่ายอุบาสบกอุบาสิกาพร้อมกับลูกหลานบริวารของท่านพร้อมกับคณะญาติญาติโยมทุกหมู่เหล่าให้ให้การสนับส น, นุน ในการก่อสร้างเมื่อสร้างพระเจดีเสร็จแล้วก็ได้สร้างพระนอนพระฟางปรินิพานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอันนี้คือเป็นเครื่องเชิด ช, ชูบูชาภายนอกคือหลวงพ่อชาลีกับคณะสงฆ์เป็นหลักอยู่ที่วัดป่าภูก้อนแห่งนี้ก็พวกเรากุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้มากราบมาไหว้ แล้วก็ได้มากราบคารวะหลวงพ่อชาลีของพวกเราบัดนี้ท่านมีอายุครบ67ปีเต็มต่อไปก็จะเข้า68ในย่างวันพุ่งนี้มาลือนี้ท่านในบำเพ็ญคุณงามความดีศีล ส, สมาธิปัญญามากพอสมควรบริบูรณ์เต็มจะว่วอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดเพราะท่าน ทรงศีลสมาธิของท่านเต็มความสามารถของท่านเพรา ะ, ะนั้นพวกเราคณะอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายทั้งจากจารุเทศเทเทมาวัดป่าภูก้อนแห่งนี้ก็ได้มากราบคาระวะและได้มารับโอวาทของหลวงพ่อชาลีท่านก็จะให้โอวาทเป็นครั้งคราว แล้วก็พวกเราก็ได้รับโอวาทของท่านก็เป็นที่ประทับใจจากนั้นพวกเราก็ได้มาบาเพ็ญบุญกุศลที่วัดปา่าภูพรอนแห่งนี้วันนี้ก็เป็นวันมงคลมหามงคลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเพราะนั้นขอให้คณะสัทยาญาติโยมทุกหมู่เหล่าการมาบาเพ็ญบุญกุศลในครั้งนี้ไม่ใช่มามาทำบุญให้หลวงพ่อชาลีมาพวกเรามา รำลึกถึงที่หลวงพ่อเฉลีท่านอายุครบ67ปีท่านบำเพ็ญคุณงามความดีมามากพวกเราในฐานะศิษย์ลูกหลานคณะสัทธายาตโยมก็ถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลสำหรับศิษย์พวกเราได้มากราบคารวะอามยอวยพรให้ท่านมาแสดงความมุทิตาสักกระมาแสดงความเคารพใน หลวงพ่อของพวกเราถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลสำหรับพวกคณะศรไทยญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายเนี่ยวันนั้นขอให้พวกเราที่มาในวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นวันหนึ่งที่พวกเรามาพร้อมกันแสดงออกซึ่งน้ําใจด้วยความเคารพบูชาบูชาบุคคลที่ควรบูชาอย่างที่อาตมาภาพได้ยกเป็น พุทธภาสิตเบื้องต้นว่าบูชาจะาปูชนียานังเอตัมมังครมุตตัมมังบูชาบุคคลที่ควรบูชาตลวงพ่อชาลีของพวกเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบวชมาตั้งแต่อายุครอบบวชปฏิบัติดีมาตลอดไม่มีเรื่องด่างพร้อยในหลักพระธรรมวินยัยเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์หมู่พวกเพื่อน แล้วก็ศรัทธา ญ, ญาติโยมได้มากราบมาไหว้ท่านก็ให้โอววัตเนี่ทําคําสอนก็เป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นถือว่าหลวงพ่อชาลีเป็นบุคคลที่ควรบูชาสาหรับลูกศิษย์ลูกหาที่ได้มาพบมาเจอมาเห็นที่ที่เขามาอยู่ใกล้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราได้มาเคารพ บ, บูชาหลวงพ่อชาลีของพวกเรา แต่ถึงอย่างไงก็ขอให้พวกเราล้ำลึกไว้อยู่เสมอว่าการปฏิบัติธรรมหรือว่าการบำเพ็ญกองการและกุศลนี้ถึงหลวงพ่อชาลีของท่านทำท่านก็ทําสําหรับของท่านเองเป็นส่วนมากที่จะเฉลือเผื่อแผ่สําหรับพวกเรานั้นพวกเราก็จะต้องนำธรรมคําสอนของหลวงพ่อชาลีหรือแนวปฏิบัติของหลวงพ่อชาลีนามาประพฤติปฏิบัติที่ท่านแนะนําสั่งสอน ที่ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรพวกเราก็ได้นำทำคำสอนของท่านมาปรับปรุงกายว่าจาใจของเราอันนั้นจึงจะเป็นของเราแต่ถ้าหากว่าพวกเราที่มากราบมาไหว้หลวงพ่อชาลีหลวงพ่อเฉลีท่านก็เป็นสมบัติของท่านแต่เมื่อเรานำทำคำสอนของหลวงพ่อมาปฏิบัตินั่นแหละจึงจะเป็นของเรานี้ก็เหมือนกันนี้หลวงพ่อเปรียบเทียบกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ชี้หนทางเป็นผู้แนะนําเป็นผู้บอกกล่าวแต่ถ้าว่าพวกเราไม่เดินตามทำคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จะช่วยพวกเราอย่างไรเมื่อเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ทางเท่านั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นผู้กําหนดจิตใจของพวกเราถ้าพวกเราเป็นมิจฉาทิฐิมีความเห็นผิดพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะ ทำให้พวกเราเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาได้ถ้าอย่า ง, งานั้นถ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้กำหนดจิตสะกดกจิตคนให้ไปตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าคงจะกำหนดจิตพระเทวทัตหรือว่ากำหนดจิตของคนยุคนั้นสมัยนั้นคงจะไม่มีเป็นคงจะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิคงจะเป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหมดนี้คงไม่เป็นอย่างนั้น เพราะนั้นพระพุทธองค์เป็นผู้ชี้หนทางเป็นผู้บอกกล่าวเป็นผู้แนะนำแต่บางคนก็ไม่ไมเชื่อคาว่าไม่เชื่อคํานี้นะ่ะก็ทำให้หันหลังต่อคุณงามความดีหันหน้าต่อมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านในเมื่อหลวงพ่อท่านมีเจตนาดีท่านแนะนำอย่างไรพวกเราก็ให้นำหลักธรรมคาสอนของท่านที่มีเป็นหลักเหตุผล นำมามาพิจารณาการกลองไต่ตรองด้วยเหตุและผลเอาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักจากนั้นเราได้ยินได้ฟังแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นสมบัติของอพวกเราต่อไปเพราะว่าในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกว่าแต่ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อชาลีพูดอะไรเราจะเชื่อทั้งหมด ก็ไม่ใช่อย่างนั้นเออพราะผูใ้ใดเจ้าเองท่านก็บอกว่าดูก่อนสารีบุทที่เราตถาคตแสดงธรรมหรือพูดจบลงไปนี้พวกท่านมีความเห็นอย่างไรเชื่อไหมที่เราตถาคตพูดไปภาษาในบทยังแบ่งรับแบ่งสู้ยังก่อนพระเจ้าข่าเพราะข่าพระองค์ยังไม่ได้นำยังไม่ได้นาไปประพฤติปฏิบัติดูข่าพระองค์ยัง ยังไม่ยอมรับว่าเป็นความจริงหรือไม่ความจริงจนกว่าข่าพระองค์จะได้นําไปประพฤติธปฏิบัติตัแล้วข้าพระองค์จะมากราบถวายรายงานและถวายความประพฤติธปฏิบัติต่อพระองค์เมื่อภายหลังอันนี้ก็คือทําคําสอนของพระพุทธเจา้าไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าพูดอย่างไงตรัสอย่างไงแล้วก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาเชื่อทั้งหมดอันนั้นไม่ใช่เพราะว่าเจตนะ ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เสนามัคคีกาเสนาหมคีกาเนี่ยคืออาจารย์ว่าอย่างไรลูกศิษย์ก็ต้องว่าตามอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ก็ต้องมีเหตุมีผลเหมือนกันแต่ว่าถึงยังไงไม่เข้าใจก็ต้องมาศึกษามาซักไซซักไซไล่เวียงถามพระอาจารย์พระอาจารย์ก็อธิบายให้ฟังเพราะท่านผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านหลักธรรมวินัยมา จนพอแรงของท่านแล้วพร้อมพร้อมที่จะอธิบายให้สิบฟังได้แล้วท่านจึงได้มาอยู่ในลักษณะอย่างนี้เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสิทธิญาณุสิทธิทุกทุกท่กทานอุบาสกอุบาสิกาทุกทุกคนเมื่อเข้ามาศึกษาธรรมะธรรมครรสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรในครั้งพุทธกาล พระสงฆ์ในวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารท่านเห็นบุญบา ร, รมีของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่พระสงฆ์บางกลุ่มก็อัศจรรย์ใจว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าท่านสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยลาบด้วยยศท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินอีกต่างหากแต่ทำไมท่านจึงบวชได้หน้าแปลกใจจริง แล้วมาบวชก็เสียสละบททุกอย่างอีกเป็นคนขอทานอีกบิณฑบาตฉันทานอาหารจากชาวบ้านอีกทั้งที่พระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็พร้อมที่จะเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดินต่อไปในอนาคตระพงที่พระอง เ, เห็นพระสงฆ์เหล่านั้นสนทนาปลารพในธรรมสภาคือที่ศาลาพระองค์ได้ยินด้วยทิปพปโสตะคือหูทิพพระองค์ก็เดินลงมา กระถามว่าภิกษุสงฆ์ทั้งหลายพวกเธอสนทนากันด้วยเรื่องอะไรพระสงฆ์เหล่านั้นกระราบทูลว่าอัจฉรยันที่พระพุทธองค์เสียสละออกจากเวียงวังเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ตัดรู้เป็นพระอนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณน่าอัจฉรยันใจอย่างยิ่งพระองค์เสียสละออกจากขึงคลาวาสที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินออกมาบวชพระพุทธองค์บอกว่า มิใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นในอดีตชาติเราก็เคยมาแล้วถ้าจะว่ายิ่งใหญ่ก็ยิ่งใหญ่กว่านี้เพราะว่าชาตินี้เราจึงเป็นพระมหากษัตริย์ยังหนุกอยู่แต่เมื่อสมัยก่อนชาติก่อนน่ะเรามีสมบัติมากกว่านี้เป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองใหญ่ประเทศใหญ่แต่เราก็ยังเสียสละได้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราบารมีของเราแก่กล้าแล้วไม่น่าอาจจจัศจรรย์ แต่ก่อนหน้านี้บรารมีของเรายังอ่อนเราก็ยังเสียสละได้พระสงฆ์ทหลายกราบทูลพระพุทธเจ้าวา่าสมัยไหนพระเจ้าผ่าพระองค์บอกว่าสมัยหนึ่งพระเจ้ากรุงราชคฤห์พระเจ้าแป่นดินกรุงราชคฤห์นะแครองราชต่อมาได้อคคเหษสีแล้วก็ได้ลูกชาย เ, เป็นราชกุ ม, มารชื่อพร ม, มทัตพรนะ ม, มทัตก็มีเพื่อน เกิดขึ้นมาพร้อมกันเป็นลูกปโลหิตจากนั้นท่านก็พออายุ16ปีเลี้ยงมาด้วยกันทั้งลูกพวปโลหิตและลูกพระราชาจากนั้นพออายุ16ปีก็พ่อแม่พ่อก็ไปส่งไปเรียนเมืองตะกะศิลาเมืองตะกะศีลาก็เมืองทารีบันทุกวันเนี่ยนะอันนี้ละเมืองตะกะศิลาสมัยก่อนนะไปเรียนที่เมืองทารีบันทุกวันนี้จากนั้นท่านก็ไปเรียนกับทิสปาโมกอาจารย์ พอเรียนจบพิชาศินตปาศาสตร์อักษรศาสตร์จากนั้นท่านพอเรียนจบแล้วกเ็เลยออกลาลาอาจารย์พอลาอาจารย์เส็จแล้วทั้งกอเดินทางไปเรียนไปศึกษาทั่วโลกไปศึษาไปเรียนอักษรศาสตร์คือภาษาในโลกนั้นมีกี่ภาษาจากนั้นก็ไปเรียนาศาสนาแต่และชนกลุ่มในยุคสมัยนั้น มีศาสนาอะไรบ้างประจําชาติของแต่ละกลุ่มของตนเองเพราะนั้นยุคสมัยนั้นศาสนาก็มีมากแตท่านก็ไปเรียนอักอษรศาสตร์ด้วยศาสนาด้วยตามหัวเมืองต่างๆแต่ท่นี้พอไปถึงกรุงพารานสีพอไปถึงกรุงพารานสีเนี่ยพรามสองเพื่อนสหายนี่ก็เป็นลือศรีนท่านี่ทำตนเป็นลือศีเพราะว่าเดินทางไปธรรมดาเนี่ย คนอาจจะสงสัยว่าเป็นใครท่านก็ทําบวชเป็นลือศีจากนั้นเขาก็เดินไปไปพักอยู่ในที่แห่งหนึ่งพอตอนเช้าก็เข้าไปบินทาบาทพอไปบินทาบาทนี่มีพวกพราหมณ์เขาถือความศักดิ์สิทธิ์เขากําลังจัดที่พักสําหรับ เ, เลี้ยงคนเลี้ยงพราหมณ์ เ, เลี้ยงผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตระกูลของเขาเขาก็เห็นสองหนุ่ม ฤๅษีหนุ่มสององค์นี่หน้าตาผ่องใสเป็นที่เคารพเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้มีสงาาส่าราศีเขาก็เชิญเข้าไปในในบ้านของเขาพอเชิญไปในบ้านของเขาเขาก็ปูผ้าขาวพรมขาวอะพรมขาวไว้ตรงหนึ่งแล้วก็พรมแดงอีกที่หนึ่งเพราะเป็นสองฤๅษีสองคนแต่ทีนี้ฤๅษีคนที่สองเนี่ยคือเป็น โลกของปโปโลหิตใต้จานยเห็นฤาษีผู้เอที่เป็นเจ้านายของตนเองเนี่ยนั่งพรมขาวตัวเองนั่งพรมแดงก็ทํานายในเดี๋ยวนั้นเลยว่าลูกพี่ของเราเนี่ยจะต้องได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแน่ในวันนี้เพราะมันบอกบ่งบอกถึงบุญบรารมีอือันนี้คล้ายๆกับเป็นเครื่องบ่งบอกแล้ว เพราะว่าพราหมณ์เขาถือกันอย่างนั้นคล้ายๆว่าเป็นการทำนายไว้ในตัวแต่ส่วนข้าพเจ้านี่ยจะต้องเป็นเสนาบดี เ, เพราะนั่งพรมแดงจากนั้นพอเสร็จแล้วก็ชวนลูกของโปลหิตเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้บอกกันจากนั้นก็กลับมามานอนที่แท่นศิลอาอัดในอุทยานของพระเจ้าพาราณสีจากนั้นพอนอน ทั้งที่เป็นเพื่อนกันนะเล่นมาด้วยกันแต่เคารพยังเคารพอันนี้คือข้าพเจ้าเป็นลูก ป, ปุโรหิตแต่ท่านเป็นรูปของพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าฟ้าชายจะแดงต้องจะแดงความเคารพก่อนเวลานอนเนะลยก็ลูก ป, ปุโรหิตที่เป็นเพื่อนกันก็นวดฝ่าเท้าให้นะ่ะใครเขาว่าเป็นผู้นวดฝ่าเท้าท่านลูกพระเจ้าแผ่นดินทื่พระเจ้าพ ม, มทัศเลยก็ลูกฟ้าชายก็นอนหลับไป พอนอนหลับไปกรุงพราณสีในช่วงนั้นพระเจ้าแผ่นดินสวรรคตคือตายตายและไม่มีลูกชายเขาก็เลยเสียงราชสลดสมัยนั้นแต่ทุกวันนี้ก็คงจะแย่งกันอุตรลดนั่นแหละแต่สมัยนั้นคนซื่อสัตย์สุจจิตเข า, าเขาเชื่อว่าบุญบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์มีเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มี เขาก็เลยถือกันอย่า ง, ค, งคร่งขัดเขาก็เสียงทายว่าผู้ใดมีเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่ที่จะมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินของพวกเราได้ในยุคในคราวนี้เขาก็เสียงทายบอกเทสักเคเทพเจ้าเหล่าเทวาแต่ทุกวันนี้ก็คงจ ะ, งจะกล่าวถึงพระสยามเทวาที่ราชก็คงจะลักษณะอย่างกันนะจากนั้นเขาก็เสียงทายด้วยราชรส ราชรถวิ่งออกมาก็วิ่งเข้ามามาถึงอุทยานที่พระเจ้าพมปรทัดฟ้าชายพมประทัดนอนอยู่แช่นศิลาอาจพอเข้ามาลูกชายที่เป็นปุโรหิตที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยเห็นราชรถเข้ามาเลยก็หลบหนีเลยโอ้เราไม่เอาเราไม่เป็นอุปราชเราจะบวชเป็นฤาษีดีกว่าเราจะเป็นฤาษีเราจะประพฤติพมประจันหลังจากนั้นก็ราชรถก็วิ่งมาพอมากันมาจอด พวกพราหมณ์ทั้งหลายเขาก็ลงมาดูมาดูกมาตรวจดูฝ่าเท้าโอ้คนนี้เป็นผู้มีเป็นผู้เป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่ฮะเขาดูฝ่าเท้านะเป็นผู้มีบุญหนักศักใหญ่เขาคงจะดูหัวแห้งทุกวันอย่างทุกวันนี้ก็คงจะลักษณะอย่างนั้นแต่สมัยก่อนเขาก็ตำราพราหมณ์เขาก็ดูฝ่าเท้าดูฝ่ามือดูใบหน้าฮะ แต่นี้เขาก็เห็นว่าฝ่าเท้าุดคนเช่นนี้จะต้องเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดินปกครองหมู่พวกเพื่อนได้แน่จากนั้นเขาก็ประคมกองระครังแต่ แ, ส, แ ส, สังบกขึ้นมาพร้อมกันทต่นี้ผมมาท่านกับโผล่หน้าขึ้นดูโผล่หน้าขึ้นดูท่านก็ไม่สะทกสะทานผู้ที่จะเป็นใหญ่เขาจะไม่ตื่นตนกนะจะไม่ตื่นกับเสียงต่างๆยินนิน น, น, น, นทาสรรเสริญ อ, อะไรเขาจะไม่ตื่น เขาจะโผล่หน้ามาดูจากนั้นเขาก็ห่มหนกักผมผ้ากับคืนมาเดี๋ยวเขาก็นอนนิ่งจากนั้นเขาก็ตรวจดูฝ่าเท้าเสร็จแล้วท่าก็ลุกขึ้นมาอา่เป็นไรม้าอะไ ร, ะไรพวกพรามทั้งหลายก็ว่าพระเจ้าแผ่นดิน เ, เมืองข้าพเจ้าจะขอยกให้ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินรักปกครองเมืองพราณศรีพวกพระเจ้าแผ่นดินของพวกท่านไปไหนสวรรค์คตมาได้เจ็ดวันแล้วก็ได้ถวายพระเพลิงไปแล้ว จึงได้เสียงราชลถมาก็ได้มาหาท่านขอให้ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินพรองกรุงพราราณสีด้วยเทินเออเอาข้าพรเจ้าขอโนโลมตามจากนั้นท่านก็รับรับแล้วก็เฉลยเชิญเข้าไปในเมืองพราราณสีจากนั้นท่านเคยเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินอยู่แล้วท่านก็ได้เรียนวิชาการปกครองมาม า, มากแล้วท่านก็ดูรายชื่อเสร็จแล้วท่านก็แต่งตั้งท่าทุกวันนี้ก็คงจะแต่งตั้งนายกแต่งตั้งรัฐมนตรี ในเดี๋ยวนั้นะ เ, เสร็จแล้วทา่านก็ปกครองพอปกครองเสร็จแล้วท่านลืมลืมที่เป็นเพื่อนกันที่เป็นลูกโบรเตดนะันที่ไปศึกษามาด้วยกันลืมรละลึกไม่ได้เลยถึง4ี่สิบปีฟองดูสิคนนี่มันหลงมันหลงขนาดนะั้นมันลืมขนาดนะั้นนะลืมหมูลืมเพื่อนพอได้เป็นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ลืม จากนั้นก็มีลูกมีเต้ามีออกมเหสีไม่ลูกกี่คนติกี่คนเพราะเป็นพระเจ้าแผ่นดินในยุคสมัยนั้นฮะถึงสี่สิบปีพอถึงสี่สิบปีแล้วโอ้ตายเอทีมุขะที่เป็นเพื่อนของเราเนี่ยไปไหนหนาไปไหนหนาทำไมหายไปไหนหนาพอพอระลึกได้ได้ก็บ่นอยู่เกือบทุกวันแทเนี่ยแต่ลูก ท, ทีทีขมุขะ พอออกจากนั้นนะท่านก็ขึ้นมานั่งบนแท่นนะพอเขาย้ายอาพอพระเจ้าเป็นย้ายออกไปท่านก็ขึ้นมานั่งบนแท่นพอนั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วบุญของท่านบารมีของท่นานเห็นท่านเห็นใบไม้เหลืองหล่นลงมาตกต่อหน้าท่านพอหล่นลงมาท่านเออสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เทียงร่างกายของเรานีก็เหมือนกับใบไม้เนี่ยนะตากลมมันก็เขียวสุ่ม พอจากนั้นก็เหลืองหลดลงมาชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันต่อไปภายภาคหน้าก็อยู่เหมือนกับใบไม้นั่นไม่มีใครที่จะอยู่ได้ตลอดไปถึงครบรอบปีมันก็ต้องหล่นชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันเกิดมาแล้วก็ตรงถึงจุดจบอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าพอท่านเห็นอนิจจังอย่างนั้นท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายใจของท่านก็หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์เป็นพระประเัเจกพระไจ้าในเดียวนั้นเลยทน พอเป็นพระประเจกบริขารก็ลอยมาพอลอยมาเสร็จแล้วท่านก็อัฐบริขารสวมท่านท่านก็เหาะจากที่แท่นบันหลังไปถูกเขามูลมู ล, ละกะป่าหิมะพานก็อยู่กับพวกปริเจกพุทธต่อไปทางพระเจ้าแผ่นดินพมพทที่เป็นเพื่อนกันนี่ก็เสวยความสุขทางโลกีแต่เพื่อนนี่ก็เป็น สวยความสุขที่ท่านได้เป็นพระปฏิเจกพุทธเจ้าเป็นพระอราหันต์แล้วนี่แหละถึงสี่สิบปีพอถึงสี่ปีท่านก็บนบนบนบ น, บ น, บนพระปฏิเจกพุทธเจ้าท่านก็มีอดีตแอบคล้ายๆว่ามียานรัศนะมองมาดูเพื่อนโอ้เข้าบ่นหาเราท่านก็เลยเหาะมาทางอากาศมาอยู่ลงสวนอุทยานก็เลยบอกในอุทยานว่า เ, เราเนี่ยเป็น เป็ดปัจเจกนะไปบอกพระเจ้าแผ่นดินด้วยว่าเรามาที่เป็นเพื่อนกันทีมุขะนะทีบุขะปัดเจกนะนายอุทยานก็ไปกล่าวพระเจ้าแผ่นดินไปทูลไปบอกกล่าวพระเจ้าแผ่นดินก็รีบออกมาพอมาเห็นนะก็ทักทายกันทักทายกันเพราะท่านเป็นพระปัดเจกผู้ใเจ้าท่านก็บอกความหาประเภท ดำลงร า, า, า, าชจ ะ, ะพิถทดทศพิถราชธรรมสมบูรณ์อยู่เหรอพระองค์ดูแลพี่น้องประชาชนด้วยความเมตตาอยู่เหรออยู่ตั้งตั้งอยู่ในมมพรมวิหารสอยู่เหรอท่านมีศี่ห้าอยู่เหรอท่านมีทศพิถราชธะทำอยู่เหรอพระพระเจ้าปเดรตก็ยอมรับทุกอย่างว่าปกครองปกครองโดยธรรมแต่พระพระปเจกพุทธเจ้าเานี่ยมองเห็นเอกมหาบุพพิตร พอมหาภพิษเป็นปกครองมานานพอสมควรแล้วมีลูกมากมาอยู่แล้วขอพระองค์ ส, ะสะละซะาชสมบัติออกไปบวชซะพอโลกอันนี้เต็มไปด้ว ย, วยฝุ่นไปเป็นเต็มไปด้วยฝุ่นทุเรีเต็มไปด้วยควันควันมันไม่ไม่ใช่ของไม่ใช่ความสุขนะมหาภพิษนะ อ, ออกบวชซะ ทางพระเจ้าแผ่นดินนี่ท่านติดเรื่องราบเรื่องยศเรื่องครอบครัวโอยข้าพระ อ, องค์บวชไม่ได้หรอกพระเจ้าค้าพระข้าพระ อ, องค์ติดครอบครัวติดราบยศทุกอย่างข้าพระ อ, องค์บวชไม่ได้ใครเขาบอกงงเลย พ, พ่อเพื่อนชักชวนให้บวชพระ่อปเจกชักชวนให้บวชแต่พ่อปเจศ ไ, ไ, ไ, ไม่ลดละความอุตสาหะนลย ท่านก็มองดูอดีตอดีตอนาคตโอ้อันนี้คือพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้เพื่อนของเราเนี่เขาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตแต่ถึงยังไงก็เถอะต้องบวชในชาตินี้เพราะมันมีความสุขพอสมควรแล้วผ่านโลกมาสมควรแล้วสมควรที่จะออกไปบวชตัดกิเลสราคะโทสะโมหะควรจะเสียสละ คนจะออกบวชถ้าไม่ออกบวชเนี่ยคือนรกเป็นเบื้องไปแต่ถ้าออกบวชมีศีลห้านันเราจะเป็นลือสีจะพรมโลกเป็นที่ไปเราควรจะแนะนำให้บวชเท่านั้นอันนี้คือเพระปัจเจกท่านก็มองเห็นอดีตอนาคตของเพื่อนของท่านคือโปรดเมตตาจากนั้นท่านก็เทศให้ฟังแต่พระเจ้าแผ่นดินเนี่ย ลักษณะหัวเด็ดตีนขาดไม่ยอมถอยเพราะงั้นเอคนโบราณเขาท่านก็พูดในะพระไตรปิฎกว่าคนเราเนะนี่ยมันมันมีคล้ายๆบอกพอพระปฏิเจตนั่น้นละมันคล้ายๆว่ามันงงเอ่งงงวยงงไปหมดไม่รู้จะเดินทางไหน เ, เพราะว่ากิเลสของมนุษย์กิเลสของคนเนะ่มันเต็มไปด้วยกิเลสลาขะบั้งโทสะบั้งโมหะบ้างคร อ, อบงาโลภโกรดหลง แล้วก็มันมีความลุ่มหลงมัวเมาในยศถาบรรดาศักดิ์ของตอนเองอีกต่างหากเพราะน้มันหนีไม่ได้พระปัจเจ ก, ก็ท้งส่งท้ายว่าพระองค์ถ้าจะอยู่อย่างนี้คือนรกเป็นทางไปแต่ถ้าหาว่าพระองค์หลีกออกทางออกบวชพระองค์จะพร ม, มโลกเป็นทางไปฟังเอาเลือกเอาไปแล้วกันอาตมาพูดได้เพียงเท่านี้จากนั้นพระปฏิเจกพุทธเจ้าท่านก็ เหาะเลยเลยเออเหาไปที่ใที่พักของท่านที่เขาเขามู ล, ละกะที่ป่าหิมพผ่านส่วนพระเจ้าแผ่นดินนี่ประนมมือจนจุดสายตาจากนั้นท่านก็บอกเรียกพวกลูกชายผู้ใหญ่มาเอ้ยลูกเอ้ยถึงพ่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพอระปัเจกวันนี้แล้วเออพ่อต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเอาเธอมอบ สมบัติให้แก่ลูกนะพ่อน่ยจะออกบวชแหละพ่อจะเป็นฤาษีอย่างที่พระปฏิจเจ ต, ต์แนะนําสั่งสอนเอาเถอะนะพ่อจะบวชนะนะนะ่อันนั้นคือการบวชครั้งยิ่งใหญ่ทั้งที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ในกรุงพระนสีใหญ่กว่าครั้งที่เราเป็นศีรษนะแต่คราวนั้นท่านยังเราบารมีของเรายังอ่อนจากนั้นเราก็บวชบวชแล้วก็ไปบําเพ็ญอยู่ในป่าบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาจากนั้นเราก็ได้ สำเร็จญาณจากนั้นพอเราตายไปแล้วก็ไปสู่พรหมโลกในชาตินั้นนี่แหละอันนี้ก็คือทุกพบทุกชาติที่พระองค์ที่พระพุทธเจ้าของเราที่ท่านได้บาเพ็ญเรื่องกิตตภาวนาแล้วว่าเรื่องบําเพ็ญเรื่องเนกขำ่ำคือการบวชในแต่ละยุคแต่ละสมัยท่านไม่เคยลดละเพราะนั้นในชาตินี้พระพุทธองค์ บำเพนเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่เมื่ออายุ29สปีก็ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือยังอนุยังอายุยังหนุ่มแน่นพร้อมที่จะมองไปทั่งข้างหน้าพร้อมที่จ ะ, จะเจริญก้าวหน้าแต่พระองค์เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นความแก่ความเจ็บความตายมองเห็นปู่ย่าตายายแล้วก็หมู่พวกเพื่อนล้มหายตายจาก ในโลกนี้อะไรคือความสุขที่แท้จริงอันไหนคือความสุขที่ถาบลมองดูซิพระ อ, องค์มอ ง, มองมองดูแล้วมีแต่ความสุขที่ไม่เที่ยงแท้ถาบลพระ อ, องค์จึงเกิดถ้าเราอยู่อย่างนี้เราก็คงจะเป็นเหมือนกับปู่ย่าตายายของพวกเราเราก็จะต้องถึงจุดจบเราก็คงจะมอบมรดคให้แก่ลูกหลานของเราต่อไปเหมือนกับปู่ย่าตายายเป็นทอดๆดกันไป ประโยชน์อะไรที่จะเราจะอยู่เราควรจะสสแสวงหาทางพ้นทุกข์ดีกว่าอันนี้คือบา ร, รมีของพระ อ, องค์แก่กล้าแล้วจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้เสียสละออกจากเวียงวังออกไปอยู่บำเพ็ญอยู่ในป่าถึงหกปีหนีออกจากเวียงวังกลางคืนถ้าหนีไปกลางวันก็คงคงจะกัน่นกั้นกลางแล้วว่านอนขวางถนนไม่ให้ม้าวิ่งได้ไปที่ไหนควรจะวิ่งนอน กันไปหมดอันนี้พระองค์หนีกลางคืนไม่ใช่หนีหลอกๆหนีจริงๆจากนั้นพระองค์เขาไปอยู่ในป่าไปถึงแม่น้ำอนุมานาทีจากนั้นก็ทรงพนวดบวชพอบวชเสร็จแล้วพระองค์กับภาวนาแะ้วตั้งอกตั้งใจภาวนาบำเพ็ญลองผิดลองถูกรองเหมือนกับลองวิทยาศาสตร์อย่างนั้นเป็นเวลาถึงหกปีสูตรสาเร็จคือวันเดือนหกเพพระองค์ได้ นั่งภาวนานั่งภาวนาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเพรา ะ, ะนั้นคณะรัตย า, า, าติโยมทุกๆ ท, ท่านเรื่องสติเป็นเรื่องที่จําเป็นสําคัญอย่างมากสติสัมปชัญญะร่าการที่จะภาวนาที่จะได้ยาธิรัตนจะจะจิตจะสงบ หรือจะเกิดฌานหรือจะเกิดสติปัญญาขึ้นมาได้จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ต้องมีสติสติเนี่ยเป็นกุญแจดอกสําคัญอย่างยิ่งถ้าคนปราศจากสติแล้วสมาธิก็จะไม่เกิดเพราะนั้นเรื่องสติพวกเราต้องฝึกจะทํายังไงจึงจะมีสติสติกําหนดลมหายใจเข้าเนี่ยพระพุทธเจ้า่ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออก จากนั้นพระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะเกิดฌานเนีเกิดฌานนะาาคือความรู้ขึ้นมาในขณะที่เป็นสมาธิปุกเพในวาส า, านุสติญาณระลึกชาติทุนหลังได้คือระลึกเรื่องของพระ อ, องค์ก่อนชาติที่แล้วเรามาจากไหนมาเกิดแล้วชาติก่อนเป็นยังไงอันนี้คือดูพระ อ, องค์พอถึงเที่ยงคืนดูสรรพสัตว์เท่นี้ จุตูปะปาะะตายานการดูดูสัพสัตว์ทั้งหลายมาจากไหนมาเกิดมาด้วยอะไรแล้วจะไปที่ไหนดูเขาแล้วก็ดูดูเราแล้วก็ดูเขาดูตนเองก็ดูคนอื่นที่แรกว่าปุปเพนิวาสานุจติยานระลึกชาติผลหลังพระ อ, องค์ระลึกชาติผลหลังได้พอถึงเที่ยงคืนจุตูปะปาตายานการจุติของสรพสัตว์ทั้งหลายเป็นทําไมจึงมาเกิดอย่างนี้เพราะอะไรพระ อ, องค์มองดูแล้ว กรรมกรรมพามาเกิดคนเราต้องมีกรรมกรรมคือการกระทำทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วถ้าใครทํากรรมไม่ดีเอาไว้กรรมไม่ดีนะจะติดตามพวกเราไปสู่ปารโลกภายภาคหน้าอันนี้เราว่ากรรมชั่วอย่าทํำซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นจะติดตามให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลับนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นพระบาลีว่อาอกตังลุกตังเสยโยปัชชาตปฏิลุกตัง กรรมชั่วหรือความชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทําแล้วความชั่วนั้นจะตามให้ผลเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าให้ฟังเอาไว้ว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ตัดสู้อย่างไรในวันเดือนหเพนนั้นแต่ว่าหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในยุคสมัยนี้ท่านบอกว่าถ้าว่าภาวนา กำหนดลมหายใจเข้าออกเฉยๆไม่มีการบริกรรมด้วยจะทำให้จิตของเราใจของเราหลุดเล็ดลอดออกไปได้ง่ายเพราะนั้นท่านจึงให้บริกรรมสำทับก็ว่าหายใจเข้าพดหายใจออกโถหายใจเข้าพุทหายใจออกโถพดโถพดโ ถ, โ ถ, โถคือเป็นการสมทับให้สติอยู่กับตัวเองไม่ให้มันหลุดออกไปง่ายนี่แหละถ้าเราบริกรรม อย่างนี้หรืกว่าการเดินก็เหมือนกันขาขวาพุทธขาซ้ายโภพุทโภพุทธโภยแต่ทุกวันนี้มีคําพูดขึ้นมาแปลกๆเขาบอกว่าทําไมเอาพระพุทธเจ้าลงไปใส่ฝ่าเท้าทําไมเกลียบพระพุทธเจ้าแต่ตามไม่จริงคําว่าเท้ากวาดีหัวกวดีศีษะกวดีเท้าวกวาดีใครเป็นคนสมมุติว่าเท้าสูงหัวต่ําเท้าต่ําหัวสูงใจของเราเป็นคนให้สมมุติ เพราะนั้นเราจะไปสมมุติว่าเท้าต่ําสิถ้าใครเป็นสมมุติว่าเท้าต่ําตัดเท้าทิ้งไอเอาหัวเดินจะเดินได้ไหมเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นเท้ากับ เ, เท้ากับหัวเท้ากับศีรษะเสมอกันเราให้ความสําคัญเสมอกันไม่มีอะไรย่อหย่อนกว่ากันในร่างกายเพราะฉะนั้นถึ ง, ถ, งถึงเราจะก้าวเดินเราก็ก้าวกับพุทโถเวลาเราอยู่เรานิ่ง เ, เราก็ไม่ได้กระดุกดิกมีตะลมหายใจเข้าออก เ, อเราก็ต้องดูพุทโถ กับลมหายใจเข้าหายใจออกแต่หลวงพ่อให้แนวความคิดขึ้นมาอีกว่าเพราะว่ากรรมฐานของพระพุทธเจ้าไม่ตายตัวกรรมฐาน40นั้นพอประมาณใครจะบริกรรมอันไหนก็ได้ที่ว่าถูกกับจริตของตนเองยังมีมากกว่านั้นพระพุทธเจ้าวางไว้เพียง40แต่หลวงพ่อเพิ่มเข้าอีกกรรมฐานหนึ่งให้พวกเราทดลองดูนะคณะทาญาตโยมนะเวลาหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองค่นับถึง เพราะเราเคยชำนาญในการนับมีอะไรเราก็นับนับเลขนับเงินอะไรนับแต่ถ้าเรานับลมหายใจเข้าหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองนับให้ถึงร้อยด้เมื่อนับถึงร้อยถ้าเราไม่เผลอกลับมานับไปเองนับสักสิครั้งถ้าไม่เผลอไปว่าใช้ได้แต่โดยมากมันจะเผลอนะพอนับไปหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสอง นับหนึ่งคือเลขขี่นับสองคือเลขคู่ขี่คู่ขี้คู่ขี้คู่ไปถึงร้อยแต่พ่อมันจะเผลอเด็กพ่อนับไปถึงสิบยี่สิบน่ะเออพอมันจะเบอร์เบอร์มันจะเป็นเลขคู่ขี่้คู่ขี้มันจะกลับกันนะเออให้ให้คณะสัตยา ญ, ญาติโยมทดลองดูนะอย่างที่หลวงพ่อพูดจะเห็นได้ชัดแต่ถ้าหากว่าพวกเราภาวนาไปแล้ว มันเพลอเร็วนับไม่เท่าไหร่เพลอะนับเท่าไหร่เพลแล้วอันนั้นอย่าไว้วางใจถ้าเพลมากๆเป็นบ้าได้ไง่ายๆคนที่ขาดสตินั่นแหะคือคนบ้าเพราะนั้นเราอย่าให้ใจถึงขนาดนั้นลองพยายามฝึกสติฝึกสติสัมปชัญญะเมื่อเรามีสติอยู่กับตัวเองคนนั้นจะเป็นบ้าได้อย่างไรเพราะนั้นขอให้พวกเราฝึกสติอยู่กับตนเองต่เมื่อสติของเราดีแล้วสมาธิก็จะเกิดขึ้น ในเมื่อเรามีสมาธิดีเรานำจิตที่เป็นสมาธิผ่านสมาธินำมาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นปัญญาที่แท้จริงเราพิจารณาถึงอะไรอย่างทุก ข, งขังอนาตาพิจารณาถึงธาตุสีดินน้ำลมไฟพิจารณาถึงอาการ32สองของร่างกายเกสาผมโรมา ข, ขนนาเล็กทันตาฟันตะโจนหนังอย่างเนี้ยเราก็พิจารณาเห็นได้ชัดเพราะจิตใจของเราผ่านสมาธิมาแล้ว ใจของเราผ่านความสงบมาแล้วใจของเราเคยนิ่งมาแล้วเราพิจารณาอะไรจะเห็นด้วยสติด้วยปัญญาของเราอย่างชัดเจนในเมื่อเราเห็นในร่างกายของเราว่าร่างกายของเราเนี่เป็นของไม่เที่ยนแท้แน่นอนนะเอกสักวันหนึ่งพวกเราจะต้องทิ้งร่างกายด้วยการทุกคนไม่ว่ามากักมีดีจนอะไรทั้งหมดแต่วันนั้นมาถึงพวกเราจะต้องเตรียมการไว้ก่อน แต่เนิน่ตั้งแต่บัดนี้พราะวันนั้นต้องมาถึงกับทุกคนแน่นอนไม่ต้องสงสัยอันนี้ไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันเอาความจิตมาพูดให้กันฟังอย่าประมาทนะอีกสักวันนึงนะ่ะถึงจะมากมีดีจนใครจะว่ามีความสุขขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งจะต้องทิ้งทั้งหมดไม่ว่าหลวงพ่ออินไม่ว่าใครทั้งหมดต้องทิ้งทั้งหมดเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทิ้งจุดนั้น เรามีคุณงามความดีเป็นที่อุ่นใจระยักเรามีบุญกุศลเป็นที่อุ่นใจระยักเรามีศีลสมาธิทานศีลภาวนาเป็นที่อุ่นใจและหยักเพราะตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกทําไมจะว่าเกิดดีเพระพระเจ้าไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วพระ อ, องค์บอกว่าปุพเพในวาสานุสติยานละลึกชาติผลหลังได้ถ้าตายแล้วสูญจะลึกชาติผลหลังได้ไหมพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ไม่วาองค์ไหนที่ท่านแบกกดตะภายกดแบกกดแอบบาดแบกกดเขาไปภาวนาอยู่ในป่าดงพงไผ่ไปนั่งภาวนาไม่รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีรู้ว่าลิ้นไม่รู้ว่าจุ้งที่มากัดมาต่อยท่านเมอท่านไปนั่งภาวนาอยู่ในป่าท่านก็มั่นใจว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่เป็นของจริงเมื่อนั่งจิตจิตใจสงบลงเป็นหนึ่งแล้วจะรู้ได้โดยตัวเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญ อันไหนศูนย์อันไหนเกิดร่างกายเนี่ศูนย์แน่นอนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นตายแล้วไม่มีใครจะอยู่ได้เอาไปเผาไฟเอาไปฝังดินแต่นามธรรมาคือจิตใจนั้นพวกเรามองไม่เห็นถ้าจิตใจถ้าผ่านสมาธิจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองฮถามหลวงพ่อชาลีนะี่ก็ถามเถอะที่ท่านพารงพงไพมานานท่านพาความสงบนั่งภาวนาจิตใจสงบ ท่านจะยืนยันเหมือนกันทั้งหมดเพราะนั้นขอให้คณะสัทธาตาิ ย, ยมทุกหมู่เหล่าให้ศึกษาเรื่องทำคำสอนของพระพุทธเจ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องศึกษาเหมือนกับวิชาทั่วไปวิชาในโลกก็มีต่างมากมายมหาศาลพวกเราอย่าไปทะนงตนถ้าใครก็ตามว่าข้ารู้ทั้งหมด น, นั่นคือโง่ที่สุดทาาว่าพวกเราพวกเราเกิดมาในโลกนี้เราต้องศึกษาอย่างที่พระเจ้าพร ม, มทัดกับ เพื่อนของท่านพอเรียนจบจากทิะปามโมกอาจารย์แล้วท่านยังไปเรียนภาษาศาสตร์เียนงรัปศาสตร์ละกธศาสนาในในยุคนั้นสมัยนั้นนี่แหละคือการศึกษาไม่มีที่สิ้นจุดพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อได้ยินธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติพยายามสั่งสมคุณงามความดีพยายามศึกษา และจะพยายามภาวนาอย่างที่หลวงที่อาตมาได้กล่าวได้แนะนำว่าให้ภาวนาพุทโธตามที่หลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านแนะนา เ, เราให้ฟังเอาไว้ถึงอย่างไรเราให้เชื่อมั่นในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็ดีหลวงปู่สาวก็ดี ครูบาอาจารย์ของเราเกือบทุกองค์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อท่านล่วงลับรับขันไปเมื่อท่านปรินิพพเมื่อท่านมรณาภาพลงไปเราได้ถวายพระราชทานเพลิงท่านหรือถวายเพลิงท่านจบไปแล้วเราได้เก็บอธิธฐานของท่านมาเพื่อสักการะบูชาโดยมากจะเป็นพระธาตุเกือบทุกองค์เพราะนั้นให้เราเชื่อมั่นว่าสายของหลวงปู่มั่นคือสายพระรหรพูดอย่างกันได้ ที่ท่านยอมรับว่ากระดูกที่เป็นกลายเป็นวัะธานนะคือกระดูกของพระรหันต์หรือท่านจะพูดพระรหันต์ได้ไหมพระรหันต์ก็ตามแต่ว่ารูปธรรม ท, ที่พวกเรามองเห็นนั้นนั่นแหละคือกระดูกของพระรหันต์เพราะฉะนั้นขอให้พวกคณะนะสัตา ย, ยาติยมตายใจได้ว่าสายพ่อแม่ปู่ปายการที่ท่านแนะนําสั่งสอนนี่ให้พวกเราศึกษาให้พวกเรานํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายใจของเราพวกเราจะถึงจุดหมายปลายทาง คืออย่างน้อยก็ใจของเราจะได้รับความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขใจของเรามีสมาธิใจของเรารู้จักปล่อยวางใจของเราไม่ยึดอะไรจนเกินไปจะยึดอะไรยึดร่างกายว่าเป็นของเราใช่ไหมยึดสมบัติพัฒฐานว่าเป็นของเราใช่ไหมร่างกายของเรายังไม่ใช่ของเราลูกเมียของเราจะเป็นของเราได้อย่างไรขนาดร่างกายตัวเองยังจะออกฝังดินอยู่แล้ว ขนาดร่างกายเราจะไม่ใช่ของเรายศถานบรรดาศักดิ์พี่น้องเพื่อนฝูงวัดวาศาสนาจะเป็นของเราได้อย่างไรนี่แหละให้เราคิดดูให้ดีถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักประกอบพืปฏิบัติแล้วใจของเราจะมีแต่ความเาร่มเย็นเป็นสุขปลอยเท่าไหร่ยิ่งเบายิ่งสบายยิ่งมีความสุขนะแต่ทางนี้ทางนั้นก็ให้รู้จักสถานะเหมือนกันไม่ใช่ปล่อยปล่อยทิ้งเฉยเยปล่อยวางเฉยเออ มันอันนั้นก็ไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ว่าปล่อยคำนี้ปลวางคำนี้ให้รู้จักสถานะเราอยู่ในสถานะไหนเราก็ต้องปล่อยวางในสถานะยึดในสถานะปล่อยในสถานะถ้าเรามีธรรมะในใจเราจะรู้จักปล่อยรู้จักวางยึดตัวไหนวางตัวไหนถ้ามีเราธรรมะอยู่ในใจถ้ามีกิเลสอยู่ในใจแล้วก็มีแต่วางกับวางปล่อยกับปล่อยยึดกับยนะึดถ้ามีกิเลสนะ ถ้ามีทำอยู่ในใจแล้วรู้จักปล่อยรู้จักวัดเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมที่ฟังมาวันนี้ก็ขอให้นี่หละหลวงพ่อจะเน้นหนักจุดที่ว่าเวลานั่งภาวนาวันไหนทุกวันเข้าไปไหว้พระกราบพระเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งภาวนาจะนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งพับเพียบก็ได้นั่งัดสมทบก็ได้ต่อหน้าพระที่ห้องพระของเราจากนั้นประนมมือ ขึ้นมาแล้วก็ระานึกถึงพุทโธธรรมโมสังโคสามจบจากนั้นเอามือลงพอมือลงแล้วก็กำหนดภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโธพุทโธอย่างน้อยวันละ10 20นาที30นาทีหรือวันละชั่วโมงได้ก็จะเป็นผลดีอันนี้คือฝึกจิตฝึกใจของตัวเองให้มีสติถ้าคนมีสติคนมีสมาธิดีแล้วใจของเรามีหลักอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความผาสุก จิตใจไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายแต่ถ้าว่าเราไม่เคยฝึกเรื่องจิตภาวนานถึงจะมั่งมีเงินคำทรัพสมบัติขนาดไหนก็เถอะใจของเราจะว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าเมื่ออายุมาถึงจุดหนึ่งถ้าว่าพวกเรามีความเชื่อมั่นมีความตั้งใจจริงจัดจิตใจที่มีหลักตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแล้วพวกเราจะรู้จักปล่อยวางเอ้ย เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราบำเพ็ญคุณงามความดีมาเป็นที่พอใจแล้วถึงข้าวเราแล้วเหรอถึงข้าวไปของเราแล้วเหรอถึงข้าวอายุของเราจบเพียงแค่นี้เหรอมันก็รู้จักปล่อยวางยศทุกคนจะอยู่โชวฟ้าดินสลายได้ยังไงนี่แหละมันปล่อยวางอยู่ที่ใจใจของเราจะเข้มแข็งเอเพราะจิตจิตใจที่มีธรรมถ้าจิตใจไม่มีธรรมก็อย่างว่าเอารู้สึกว่า ว่าเวอางวางเงียบเหงาซึมเศร้า น, นะเมื่อถึงจุดนั้นเพราะนั้นให้ฝึกเอาไว้เรื่องจิตภาวนาเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆท่านไม่ใช่หน้าที่ของพระอย่างเดียวนะเรื่องภาวนานะเป็นหน้าที่ของค้าพระทธาส ญ, ญาติโยมทุกหมู่เหล่าเพราะฉะนั้นการพูดและการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาที่อัตมาภาพประยุตเป็นพุทธภาษีเบื้องต้นว่าปูชาจะปูชนียานัง เอตมังคารมุตตมังบูชาบุคคลที่ควรบูชาหลวงพ่อได้ยกหลวงพ่อชาลีของพวกเราเที่พวกเรารักเคารพนับถือจิตญาณุจิท์ทั้งหลายได้มาแสดงอุทิตาสักการะในวันนี้นะับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ บ, บุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ บ, บุญบารมีของหลวงพ่อชาลีของพวกเราขอให้คุ้มครองคณสิทธิานุสิทธิ์ทั้งหลายปราศธนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอขอให้สมหวังดังปราศธนาทุกประการเทิน